2.1 จสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุวงเล็บเปิด29มีนาคม2551วงเล็บปิดค่อยๆฝึกเอานะจริงๆไม่ได้ยากเลยง่ายที่สุดมันอยู่ที่ว่าใจเราจะยอมรับธรรมะไหมอย่างอุปติสสะในวงเล็บพระสารีบุตรฟังพระอัศชิยคาถาเดียวก็ได้โสดาแล้วบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดเยธรรมาเฮตุปะวาจุดจุดทใดเกิดแต่เหตุคอมม่า เตสังเหตุตรงตถาคโตจุดจุดพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคอม่าเตสัญจะโยนิโรโทจะจุดๆุดทรงแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นในวงเล็บนิโรธคอมม่าเอวังวาทีมหาสามโนจุดจุดพระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้ปิดดเคครื่องหมายพู สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามันเกิดมาจากอะไรอย่างท่านจะสอนเรื่องทุกข์ท่านก็สาวไปหาเหตุของทุกข์จริงๆไล่ไปจนถึงอวิชชาท่านแสดงความดับไปของธรรมนั้นถ้าดับต้นเหตุธรรมนั้นก็ดับมันเป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆความปรุงแต่งทั้งหลายก็มีตเหตุกับผล เคยอ่านเรื่องเจ้าแม่กวนอิมหรือดูหนังก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กๆนะมันจำได้พวกเราหลายคนยังไม่เกิดตอนที่หลวงพ่อดูเรื่องเจ้าแม่กวนอิมบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมนี่จะสร้างบารมีไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ใจกันยกมาอันหนึ่งแล้วบอกว่า วันใดที่เข้าถึงธรรมแจกันนี้จะเต็มไปด้วยน้ำให้สร้างคุณงามความดีไปวันไหนที่น้ำมันเต็มแจกันแล้วก็จะบรรลุธรรมท่านก็เอาแจกันไปตั้งเอาไว้นะทุกวันไปสร้างคุณงามความดีตั้งมากมายกลับมาดูทุกวันนะไม่มีน้ำซักหยดแต่ก็ไม่ท้อถอยนะภาคเพียรทำไปเรื่อยๆหวังว่าทําความดีมากๆแล้วมันจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่บรรลุน้ําไม่เคยมีสักหยดดูทีไรก็มีแต่ขี้ฝุ่นทีนี้ลูกศิษย์สงสารท่านโอ้เจ้าแม่ดูท้อแท้ใจวันหนึ่งเจ้าแม่เผลอลูกศิษย์เอาน้ําไปเติมเสเต็มเลยเจ้าแม่ไปสร้างคุณงามความดีกลับมาโอ้น้ําเต็มแล้ววันนี้เราจะบรรลุแล้วดีใจลูกศิษย์สํานึกผิดที่หลอกเจ้าแม่เลยสารภาพบอกผมเติมเองแหละ จะแม่ปิ้งบรรุเลยสิ่งทั้งหลายมันไม่เกิดลอยๆหรอกเห็นไหมสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดท่านเข้าใจธรรมะอันเดียวกับที่อุปติสะเข้าใจนั่นแหละสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปก็ถูกเหมือนกันใช่ไหมน้ําเต็มแล้วบรรลุเลยแต่ไม่ได้เต็มด้วยการทําคุณงามความดีนึกออกไหมมันอยู่ที่ว่าคุณงามความดีทั้งหลายมันเป็นพื้นฐานต้องทํา มันเป็นพื้นฐานเท่านั้นแหละแต่ในขณะที่จะบรรลุมรผลนี่ปัญญามันแจ่มแจ้งขึ้นมาเหตุกับผลมันต้องตรงกันอยากให้น้ำเต็มแจกันก็ต้องเอาน้ำไปเติมอยากได้ข้าวก็ต้องทำนาอยากได้มะม่วงก็ต้องไปปลูกมะม่วงทำสวนมะม่วงไม่ใช่ทำนาแล้วหวังว่าจะได้มะม่วงศาสนาพุทธเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะ